เดี๋ยวนี้ก็เขาก็มีข่าวว่าเมืองไทยนี่เป็นศูนย์กลางของการรับจ้างอุ้มบุญนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะหมายความว่ามีผู้หญิงไทยที่รับจ้างตั้งครันรับจ้างท้องอ่ะผู้ง่ายเพื่อว่าจะได้คลอดลูกให้กับสามีภรรยาที่ไม่อาจมีลูกได้มันก็แปลกนะบางคนไม่อยากมีลูกก็ ดันมีลูกนะจกนกระทั่งต้องเอาลูกไปทิ้งแต่บางคนนี่อยากจะมีลูกก็ต้องดิ้นลนสแสวงหาถึงกับไปจ้างคนให้มาตั้งคันแทนคือก็มีคนนะสามีภรรยาจำนวนมากที่มไม่สามารถจะมีลูกด้วยตัวเองได้<ม>เช่นภรรยาอาจจะไข่ไม่ดีนะ หรือเป็นหมันก็ไปเอาไข่จากผู้หญิงคนอื่นมาแล้วก็เอาน้ำเชื่อของผู้ชายผสมเข้าไปเป็นตัวอ่อนอยู่ในหลอดแก้วพอตัได้สักพักก็เอาไปไปไว้ในมดลูกของผู้หญิงที่เขาพร้อมแล้วก็มีผู้หญิงไทยจำนวนมากนะรับจ้างนะไม่ใช่รับอาสานะรับจ้างที่จะเอาที่จะท้องนะแทนแล้วก็พอ ลูกโคกกำหนดคลอดก็ออกมาคนว่าจ้าง ก, ออก็เอาไปเอาเอาเด็กไปอันนี้มันมีปัญหาเพราะว่ามีรายหนึ่งเขาเขามีท้องแฝดผู้หญิงผู้ชายพอคลอดออกมาคนที่ว่าจ้างเป็นสามีภรรยาชาวออสเตรเลียก็เอาแต่ เด็กผู้หญิงไปเอาแต่ทารกผู้หญิงไปทิ้งทารกผู้ชายไว้เพราะว่าทารกผู้ชายนั้นเป็นดาวซินโดรมคือป่วยนะมีอาการทางสมองไม่เอาเอาแต่ทารกที่มีสุขภาพดีก็กลายเป็นภาระของผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญก็ไม่มีเงินรักษาก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ย มันก็เรื่อมันก็ยาไปถึงออสเตรเลียนะัเป็นข่าวนะแล้วทมันตรีก็บอกว่าพร้อมจะรับเด็กคนนั้นเนี่ยมาจะให้สัญชาติเป็นออสเตรเลียจะได้มาทําการรักษาที่ออสเตรเลียลตอนนี้คนไทยก็บอกว่าเอ้ยเด็กไทยฉันก็รักฉันก็ดูแลได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยทําการดูแลเด็กกันเป็นการใหญ่ แต่ว่ามันก็ทําให้เรื่องนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาว่าเมืองไทยตอนนี้มีผู้หญิงรับจ้างรับจ้างท้องแทนหรือตั้งครันแทนคงจะเป็นแสนนะได้เงินเป็นแสนอาจจะเป็นล้านด้วยอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะที่มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ก่อนก็ก็มีแต่การอทําทให้กับญาติพี่น้องเช่นบางคนอ สามีหรือว่าภรรยามีลูกไม่ได้นะก็ที่จริงส่วนให ญ, ญ่เป็นภรรยาก็ติดต่อญาติพี่น้องให้มาช่วยท้องแทนเพราะฉะนั้นเด็กที่คลอดออกมาก็เป็นเครือญาติกับคนที่รับเด็กไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นการทำด้วยจิตอาสาเป็นการทำด้วยเมตตา นะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นการว่าจ้างซึ่งมันก็มีปัญหามากมายเพราะว่าก็มีคำถามว่าเด็กนี้เป็นลูกใครกันแน่นะเป็นลูกของเจ้าของน้ำเชื้อหรือว่าเป็นลูกของแม่ที่ตั้งคันให้นะและความผูกพันกันเป็นอย่างไรไหนะ้ปัญหาเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีการว่าจ้าง อันนี้มันก็เชยเห็นหนึ่งนะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันมีอำนาจมากนะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่ก่อนเราก็ได้ข่าวว่าเงินนี่ก็สามารถจะไปซื้อตับซื้อไตนะจากจากคนยากคนจนซื้อเลือดนะมาให้กับคนรวยเนะี่ยเดี๋ยวนี้เงินนี่มันก็สามารถที่จะว่าจ้างให้คนเนี่ยมา ตั้งคันแทนได้แล้วก็เอาเด็กไปซึ่งปกตินี่ในหลายแห่งนี่เขาจะไม่บอกเลยนะว่าใครเป็นพ่อแม่ของเด็กคือพอท้องแล้วก็ลูกคลอดออกมาเด็กนั้นก็กลายเป็นสมบัติของคนว่าจ้างไปผู้หญิงที่ตั้งท้องนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะท mm hmm. ั้นที่โดยความสัมพันธ์แล้วมันก็คือแม่กับลูกนะมีความสัมพันธ์สายเลือดแต่พราะอำนาจเงินนะ มันก็สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ได้คนที่เป็นแม่ก็ไม่สามารถจะรู้ว่าลูกของตัวเองนี้ไปอยู่ไหนแล้วเพราะว่าคนว่าจ้างนี้ไม่เปิดเผยตัวนะอันนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาในเรื่องความรู้สึกนะแล้วก็มีปัญหาว่าต่อไปนะคนยากคนจนนะก็จะไม่มีทางไปก็จะต้องรับรับรับจ้างแบบนี้มากขึ้น แล้วมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นนะเป็นเพราะการที่เงินเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในช่วยผู้คนมากนะจนกระทั่งมันสามารถจะซื้ออะไรได้ต้องเยอะแยะเดี๋ยวนี้เด็กในท้องกลายเป็นสินค้าไปแล้วแต่ก่อนไม่ใช่เด็กในท้องเป็นเป็นคนที่อื่นนะเป็นเด็กที่เอามาเอามาจากที่โน้นที่นี่แล้วก็ไปขายเขาเรียกว่าค้ามนุษย์นะค้ามนุษย์ เอาไปขายก็คงเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ล้ายนะอันนี้ก็เกิดขึ้นมากแต่ว่ามันทำแบบลับๆแต่ว่าไอการรับจ้างรับจ้างตั้งคันนี้มั น, มนเรียกว่าทากันไม่ถึงกับถึงแม้ไม่ถูกกฎหมายทีเดียวแต่ว่ามันก็ทำอย่างเปิดเผยอำนาจเงินตอนนี้ก็เรียกว่ามันสามารถจะบันดาลได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้คนนี่มองอะไรเป็นสินค้าไปหมด เดี๋ยวนี้เรามองแม้กระทั่งบุญก็เป็นสินค้านะมีการขายบุญกันส่วนคนที่ทำบุญก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจว่าบุญเป็นสินค้าที่จะซื้อได้หมายความว่าถ้าทาบุญเยอะๆก็จะได้ถ้าบริจาคเยอะๆก็จะได้บุญมากเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อสินค้าถ้าเราซื้อของแพงก็จะได้ของดีถ้าซื้อของถูกก็ได้ของไม่ดีนะคนก็มองบุญ เหมือนเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะที่ต้องต้องซื้อด้วยเงินมันแพงนะถึงจะได้ของดีและเดี๋ยนี้เนี่ยเงินมันก็เข้ามามีที่พลต่อจิตใจคนมากจนกระทั่งไปประมาณเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินแล้วนะแต่เงินมันใช้เราแทนเงินมันกลายเป็นนายเราแทนยอมทำชั่วได้เพราะเงินนะยอมไม่ใช่แค่ยอมปลดยอมจี้ยอมคอร์รัปชันนะแต่ว่าแม้กระทั่ง จะโกงเพื่อนค่าพี่ค่าน้องหรือค่าพ่อค่าแม่ก็พราะเงินเดี๋ยวนี้ก็ก็ไม่ใช่เรื่องเกินความจริงและมันเกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ mm hmm. เราใช้อะไรไปนานๆเนี่ยไอ้สิ่งนั้นมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งกาหนดจิตใจของเราถ้าเราใช้เงินบ่อยๆเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งท้าไปได้ง่าย mm hmm. ก็เหมือนกับเรา ใช้นาฬิกาใช้คนสมัยก่อนนี่พอเจอนาฬิกานี่ใช้ไปไ ป, ไปใช้ไปใช้มาก็มองมองว่าร่างกายมนุษย์ก็คือนาฬิกาคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆก็จะรู้สึกว่าสมองคนหรือจิตใจคนก็คือคอมพิวเตอร์นะใช้เงินมากๆนี่ก็จะมองว่าอะไรอะไรก็เป็นสินค้าไปหมดนะอันนี้ก็เรียกว่ามันกลายมาเป็นตัวกําหนดจิตใจของเรา ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการกำหนดที่ดีเท่าไหร่แต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเข้ามาครอบครองใจจนกระทั่งเห็นมันเป็นพระเจ้านี่อันนี้ก็แย่แล้วนะเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อเงินนะเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยบางทีก็ทะเลาะกันนะเรื่องเงินไม่กี่บาทอย่างเมื่อสองสมวันก่อนก็มีคนไปเก็บเงินตามห้างไม้ไม่ตามห้างตามแผงแล้วก็ตามร้าน ปกติเก็บตามแผนก็ยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทแต่ว่ามีร้านหนึ่งเขาใช้เครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องเรียกว่าอะไรเครื่องปั่นเครื่องปั่นผักปั่นผลไม้สี่เครื่องก็เลยเก็บร้อยยี่สิบเจ้าของร้านไม่พอใจก็มีการทะเลาะ ก, กันวันลุ่งขึ้นเขาก็มาเก็บใหม่แต่คนนี้เจ้าของร้านเตรียมตัวแล้วเอาลูกน้องมา มายิงนะมายิงคนเก็บเงินตายแค่ร้อยี่สิบบาทนี่แหละนะ เ, เล่นเงินฆ่ากันตายเลยมีพลเมืองดีไปช่วยพลเมืองดีก็ถูกยิงตายเอาคนเก็บไม่ตายแต่พลเมืองดีตายคนก็เลยประชาทันเจ้าของร้านคนนั้นก็เลยตายไปด้วยนะสองศพนะกันหนึ่งสาหัสก็เพราะว่าไอ้เงินแค่ไม่กี่บาทอันนี้เรียกว่าปล่อยให้เงินมาเป็นนายแล้วนะ เงินมันกลายเป็นพระเจ้ายอมฆ่ากันเพราะเงินนะแทนที่จะใช้เงินเพื่ออ่ารับใช้เรานะกับปล่อยให้เรากับยอมตัวเองกลายเป็นคนรับใช้เงินทําทุกอย่างเพื่อเงินหรือแม้กระทั่งฆ่าคนก็เพราะเงินอันนี้มันก็น่าอนาถนะอ่าเราก็เตรียมรับพร